เช่นเห็นทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นอภินิยยธรรมตรงไหนบ้างอะไรเป็นอภินญยยธรรมบ้างนะแต่ตั้งโจทย์แบบนี้แล้วมาคิดตามอะไรเป็นปริญยยธรรมและปริญยยธรรมคิดยังไงอะไรเป็นพาเวตปธ ร, รรมพาเวตปรธรรมเจริญยังไงอะไรเป็นสัจ ก, กาตประธรรมสัจ ก, กาตประธรรมเจริญยังไงคิดยังไงว่านีา้ไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายัางไงนี้ทุกนี้สมุทยัยนี่นิโรดนี่มรรคเป็นอย่างไร แล้วรักษาศีลได้ยังไงเจริญให้เป็นสมาชิกได้ยังไงเนี่ยนะแล้วเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเป็นไปยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรมีความเกิดโดยประการเท่าไหร่ดับไปโดยประการเท่าไหร่แล้วเบื่อได้ยังไงเนี่ยนะตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถ้าจาสู่ได้มากแล้วไปคิดตามนั้นอย่างเดียวเจริญตามนั้นอย่างเดียวเพราะวิธีการนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วเนี่ยนะแต่ที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าถึงจะชี้ทางตรงอ่ะนะ แต่มันแหมมันไกลมากสำหรับไม่รู้กี่คนเนี่ยนะโอ้โหนั่นน่ะเหรอตรงเนี่ยนะเค้าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะอย่างที่โยมหลายคนเขาเป็นกขบอกเขาไม่อยากเกิดแล้วอะไรเขาไม่เอาอีกแล้วเขาไม่เกิดแล้วเขานั่งดูทีวีไปเรื่อยเนี่แหละแม้ในนั้นมักมีองค์แปดง่งยมากดูทีวีเลี้ยงหลานไปเรื่อยบอกเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วพอละ นี่แหละของมาเนีจนมันใหญ่ทุกวันเนี่ยไม่รู้จะใช้สูตรไหนนะพระไตรปิฎกนึกสูตรไม่ออกแม้แต่สูตรเดียวจะจะคุยอะไรกับเขาอ่ะนะบอกอยอมแพ้เลยะบอกทำมากกว่าอยากเกินไปแต่ไม่อยากเกิดเนี่ยเนี่ยยากคือเราเราไม่ไม่ได้เกิดทำพระพุทธเจ้าเราเลยไม่เห็นความอัศจรรย์ไม่รู้กี่พันล้านอย่างในตัวของพระพุทธเจ้า อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสา ม, มารถพูดให้คนเนี่ยเบื่อเห็นขันห้าแล้วเบื่อขันห้าได้ทันทีเนี่ยนะมีความสา ม, มารถขนาดนั้นอย่างพนางเขมาพนางรูปปนันธาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนไม่อยากฟังธรรมเลยนะไม่ต้องการเขาเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทําให้เห็นคนสวยที่สุดที่นางเคยเกิดมาเคยเห็นเนี่ยนะก็ะเห็นปั๊บเนี่ยนะแล้วก็ภายในไม่กี่นาทีเนี่ยพระองค์ให้เห็นศพขึ้นอืน่นตาอื่นตายต่อหน้าต่อตากระดูกเป็นผุยผงต่อหน้าต่อตาเนี่ย โอชีวิตมันน่าเบื่อขนาดนี้เลยเหรอประกาศทำแล้วบรรลุไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระองค์พระองค์เก่งขนาดนั้นแล้วเสียงของพระองค์นั้นมันตัดนิวรณ์เขาได้หมดเลยเนี่ยนะเสียงของพระองค์ที่พระองค์ตัดออกมาหนึ่งคำเนี่ยนะที่เสียงเหมือนพรมนะเขาเลิกสนใจเรื่องอื่นหมดเลยคิดตามพระธรรมได้อย่างเดียวเนี่ยนะแล้วพระองค์ใช้คําที่ตรงกับจริตอัธยาศัยเขาเต็มที่เนี่ยนะซึ่งและอย่างหนึ่งเขาก็ทําบุญมาเพื่อเป็นเช่นนั้นด้วยอะนนคือคือค อ, องค์ประกอบเยอะนะ มันไม่ใช่เหตุผลปัจจัยอย่างเดียวทีนี้เนื่องจากว่าอินทรีย์ของเขาได้แค่สัตทินทรีย์มีกําลังอย่างเดียว IN C อินทรีย์อื่นๆโดยเฉพาะปัญญทรีย์ไม่มีกําลังมากนะักเพราะฉะนั้นพอพ้นรัศมีพระพุทธเจ้าก็ปิยรูปสาธรูปก็มาตามเดิมเนี่ยนะมันก็แต่ว่าไอ้ความที่ท่านเห็นพ่านิพ้านก็เห็นไปนะก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็ก็อย่างว่านะก็เหมือนกับเราเนี่ยฟังธรรมะดีไหมดีมาก เพลงดีไหมไม่ดีแต่ทําไมเปิดฟังอ่ะอเงี้มันก็โดยอัถโดยเทว่าเอาพอคิดถึงธรรมะปั parfois, ๊บเ้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าฟังดีไหมก็ไม่เสียหายอะไรนัะนะนะก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะสติสัมปชัญญะไม่มีกําลังคือเขาไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยมีกําลังเจ็ดประการหรือกําลังสิบของพระอรหันต์เนี่ยนะจึงปฏิญาณว่าท่านสิ้นกิเลสแล้ว สังขารทุกชนิดพระอรหารเห็นไม่เที่ยงไม่ได้เป็นภ า, าระอะไรเลยเห็นสังขารทุกสังขารเนี่ยไม่เที่ยงมือนกันหมดข้อแรกนะข้อสองกามทั้งหลายประดุดลุมฐานเพลิงเห็นโทษของไอ้อั า, าทะเท่ากับหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงที่ว่าใหญ่มากสามจิตของท่านเนี่ยโอนไปในวิเวกอย่างเดียวทเทระว่ามองอะไรเนี่ยทะลุถึงอสังขตภาพมองสังขตภาพ ท, ทุกชนิดแล้วน้อมไปหาอสังขตภาพอย่างนั้นได้ อันนี้ก็เรียกว่านะขแรกนะสังขารไม่เที่ยงอันนี้ทุกขสัตย์แม่นยำสองกามทั้งหลายไปดุดลุ่มฐานเพลิงอันนี้สมุทัยสัตว์เห็นโทษเป็นอย่างดีใช่ไหมสามจิตน้อมไปในวิเวกอันนี้ก็นิโรธสัตว์แล้วก็จิตของท่านมั่นคงอยู่ในสติปฐานสัมมาปธานอิทิบาทอินทรีย์ปะละโพชงอริยมัตมีองค์แปดอันนี้เรียกว่ากําลังของพระอรหันต์ท่านจึงปฏิญาณได้ว่าท่านเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเนื่องจากท่านมีกําลังเหล่านี้ ของเรากําลังสังขารไม่เที่ยงเออเน้นถึงก็ทำทีก็ว่าครั้งหนึ่งเธ อ, อมันไม่เที่ยงนะนะมันอ่อนขนาดนั้นอ่ะการทั้งหลายเหมือนลุ่มฐานเพลิงถ้ามันจะผิดหวังนะถ้าอะไรสมหวังหมดก็เ อ, อ๊ะกองดอกไม้นะนะพออะไรจะคําท่าจะผิดหวังนะเออหลุมจริงๆฐานเพลิงอ่ะนะแล้วก็สังคตาธาตุก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยนะสติปทานโอ้แก่ๆหน่อยค่อยเจริญก็ได้วันนี้ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะ ก็เนี่ยแหละมันสมควรนั่นแหละถ้าจะว่าให้ตรงๆอ่ะนะของมาถ้าคิดในใจเองอ่ะนะไม่ค่อยบอกใครก็บอกยุติธรรมที่สุดแล้วนะปริญญาก็ไม่ทําตัณหาก็ไม่ละนิโรธก็ไม่ทาไม่แจ้งมรรคก็ปลัดวันตะการพรุ่งตก็เหมาะสมที่สุดทัานการน้อมไปเพื่อพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน้าตาเนี่ยนะอันนั้นเป็นสัมมาสัาญา ทีนี้คําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่เที่ยงพอเลยอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแปลอนัตตาบางคนก็แปลว่าไม่น่าสนใจนะหรือไม่ต้องไปสนใจนละย <c oughs> ก็มีมีอยู่วัดหนึ่ง <c oughs> พระเนรเนยเขาเนเ น, นชอบเล่น <c oughs> เล่นมาเล่นไปมันเสียของอะ่ะห <c oughs> ลวงพ่อก็บอกทําไมไปเล่นเสียของเนรตอบไงรู้ไหม มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาครับอาจารย์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแต่ว่าเล่นมานะแล้วของมันเสียอ่นะดีไหมอย่างเงี้ยเนี่ยก็บอกว่าแหมก็บอกว่าอะ ไ, ไม่เที่ยงอย่างงั้นถ้าเป็นของสงฆ์นะใช้คืนนะเช่นเล่นสระไฟไหม้กุฏิเลยนะไม่เที่ยงอย่างงั้นต้องเผาเต้องสร้างกุฏิสร้างแทนนะถ้าไม่เที่ยงอย่างงั้นต้องใช้คืนนะ่ะเนี่ยนะ ไปกู้นี่ใครมาบอกใช้จตังค์หมดแล้วเขามาทวงบอกใช้หมดแล้วมันไม่เที่ยงไงนะแก้ได้ไหมไม่ใช่ดังนั้นคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจึงตามด้วยรู้เหตุเกิดรู้ความเกิดอุทยพยัญชนจึงตามมาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสิ่งเนี้เกิดได้ยังไงเริ่มมาช่างเลยใช่ไหมมาช่างคร่ควรถึงความเกิดกับความดับอันที่จริงคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้น่ะคือสิ่งเดียวกัน เพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะนั้นคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรก็คือเป็นชื่อของอะไรขันท่าเป็นชื่อของขันท่าแล้วขันท่าเกิดโดยอาการเท่าไหร่เสื่อมโดยอาการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องต้องน้อมไปเพื่อรู้ความเกิดและความดับว่าเกิดโดยอาการเท่าไหร่แล้วก็ ดับไปโดยอาการเท่าไหร่รู้ความเกิดโดยปัจจัยและโดยขณะเนี่ยนะรอบรู้ว่าวัตถาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงและความดับไปแห่งวัตถุทุกเนี่ยเกิดได้ยังไงดังที่กล่าวตอนก่อนหน้านิดนิดหนึนนน่งว่าเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยนะให้นั่งยืนเดินก็าตามเถอะลองสาวดูว่ามาอย่างไรไชีวิตอนีนเน้เพราะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ไอ ไอ้คนอื่นไม่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าขันห้าอันนี้มันไม่เที่ยงจะว่างไงอ๋อเนี่ยไสมมติว่าออกไปจากที่นี้แล้วเปิดใหม่เลยนะไอ้ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกกันไหมทันแล้วขันห้าอันนี้เนี่ยกว่าจะมาอย่างนี้มาอย่างไงแล้วมันเสียหายหมดไปยังไงถ้าต้องการจะทําลายมันไม่ต้องการสร้างอีกต่อไปเนี่ยทําได้ยังไงเนี่ยไงทำยังไงนะจะเลิกเห็นอีกต่อไป เลิกม <S an am alı> ีตาเลิกมีสีเลิกมีจักรคูวิญญาณผัสสะและเวทนาเลิกมีหูเลิกมีเสียงโสตะวิญญาณผัสสะและเวทนาเลิกมีจมูกเลิกมีกลิ่นคานะวิญญาณผัสสะและเวทนาเลิกมีลิ้นเลิกมีรสเลิกมีชิวหาวิญญาณผัสสะและเวทนาเลิกมีกายเลิกมีโพธิภะกายะวิญญาณผัสสะและเวทนาเลิกมีมโนธรรมมโนวิญญาณผัสสะและเวทนานี่ เพราะอะไรดับนะเหตุตเหตุผลเหล่านี้มันจึงดับขึ้นเนี่ยนะก็รู้ว่าโอ้ท่านี่นะถ้าแทงตลอดว่าจากขู่จกขูสมุทัยจกขูนิโรธจกขู่นิโรธค้าคมีนีปฏิปทาได้ดับได้แน่นี่ยนะถ้าแทงตลอดว่าโซตะโซตะสมุทัยโสตานิโรธโสตะนิโรธค้าคมีนิปฏิปทาหูดับแน่นนะถ้าแทงตลอด คานาคานะสมุท ja, right. ัยคาณ์นานิโรธคาณ์นานิโรธคามิหนีปฏิปทาจะมูกนี่ดับแน่ถ้ารู้ว่าลิ้นชิวหาชิวหาชิวหาสมุทัยชิวหานิโรธชิวหานิโรธคามินีปฏิปทาลิ้นดับแน่ถ้ารู้กายกายยะสมุทัยกายยะนิโรธกายยะนิโรธถคามินีปฏิปทากายนี่ดับแน่ถ้ารู้ว่ามโนมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทา ใจนี้ดับแน่เนี่ยนะก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แน่เพราะฉะนั้นท่าแทงตลอดอริยสัจอวิชาก็เป็นอันดับไปเนี่ยนะถ้าอาวิชาดับกรรมที่จะทําให้มีขันห้าเหล่านี้ก็จะเป็นอันดับแล้วปฏิบัติอย่างไรเนาะจึงจะเป็นไปเพื่อดับจริงๆเนี่ยนะก็ตามเห็นความสิ้นไปความเสื่อมไปความคลายไปความดับไปความเปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนั่นแหละเป็นวิปัสนา เนยนะเป็นวิปาาัสนาญาณอันนี้ยังหัวอุเทศนะมจริงของมามไม่ได้ไปนอกเรื่องนะถ้าดูตามลำดับมาว่าตามนี้แหละเนียะอยู่หน้าหนะ <c oughs> ้าสิบห้านะแถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกนี่แล้วก็ ก, ก็พิจรารณาอย่างเงี้ยก็ตามเห็นความสิ้นไปความเสื่อมไปความแปรไปความแตกไปทําททำลายไปอันนั้นนะ่ะนะเป็นวิปาาัสนาญาณเนะ่น อุทยพยาญและจิญตามด้วยวิปัสนาญาณนะตามเห็นเรียกว่าตามเห็นโดยอนุปัสนาเจตอย่างเช่นตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นรูปโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่ตามกําหนดตามเห็นรูปโดยความอะ คลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นรูปโดยความดับไม่ใช่สร้างขึ้นตามเห็นรูปโดยความสละคืนไม่ใช่ยึดถือเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงละความสําคัญว่าเที่ยงเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นทุกข์ละความสําคัญว่าเป็นสุขเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตละความสําคัญว่าเป็นอัตตาตามเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายละคายความยินดีถ้าตามเห็นรูปโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่กําหนัดตามเห็นรูปโดยความดับไม่ใช่สร้าง ตามเห็นด้วยความสละคืนไม่ถือมั่นแล้วก็ตามเห็นจิตที่พิจารณานั่นแหละไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นจิตอันนั้นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นจิตเหล่านั้นแหละโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นจิตอันนั้นแหละโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นจิตอันนั้นแหละโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่ยินดีนะไม่ใช่เพลิดเพลินนนะตามเห็นจิตอันนั้นแหละโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นโดยความดับไม่ใช่ สร้างตามเห็นด้วยความสละคืนไม่ใช่ยึดถืออย่านีก็ซ้ําอย่างเงี้ยพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมมรรคจัก ร, กรวิญญาณโสตาขานาะจิวหากายมโนวิญญาณภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารณหกธาตุห ก, ททกอันนะี้ขัน อ, อั ย, ยตนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์เป็นต้นอัะนนัก็พิจารณาไปเถอะนะ จนกว่าจะตัดฉันทราคาได้นะแต่ที่พูดไปทั้งหมดนะนะก็พุทธพจน์นะนะถ้าชอบถ้าตรัตถ้าพระองค์ตรัตแบบกลับเป็นรายบุคคลง่ายๆสั้นๆอนะนะสรุปว่าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดฉั้นทราคาในขันห้าเสียเถิดถ้าเธอตัดฉั้นทราคาในขันห้าได้นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขะนะนีอันนั้นแหละก็พกอง์ตรัตไม่ยากนะแก็เป็นความจริงด้วยนะว่าเป็นอย่างนั้น แต่เราก็อาไล่อาวรเหลือเกินมันก็เหมือนกับบอกว่าเธอเนี่ยนะถ้าเธอเลิกยาเสพติดชนิดนี้ได้นะเธอจะมีความสุขที่สุดเลยนะละถ้าเธอเออนั่นก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันยังละไม่ได้ทํ า, ทางไงเนะี่ย <c oughs> ก็บอกว่าตันหาทั้งหลายเนะี่ยมันหนักยิ่งกว่ายาเสพติดอีกยาเสพติดเนี่ยนะเป็นที่เรียกว่าติดแล้วก็ยังมีกฎหมายมารองรับใช่ไหมแต่ตันหานี่ไม่ได้ตันหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า มันติดจนไม่รู้จะติดยังไงอ่ะเนี่ยต้องติดตามม่ให้เราเห็นนี่เรากระสับกระสายขนาดไหนปิดหูไม่ให้เราได้ยินนี่มันกระสับกระสายขนาดไหนไม่ให้รู้กลิ่นไม่ให้รู้รสไม่ให้รับรู้โภตาภาหรือว่าไม่ให้นึกคิดอะไรได้เลยเนี่ยนะโอ้มันกระสับกระสายขนาดไหนเพราะความที่เราติดขนาดนั้นอ่ะนะติดยิ่งกว่ายาเสพติดเดียวกันนะยิ่งกว่าตั้งเยอะเนี่ยนะเพราะยาเสพติดมันเป็นบางอย่างเท่านั้นเองแต่การติดข้องในขันห่าเนี่ยมันติดจน ติดไม่รู้จะติดยังไงอ่ะติดมากบางคนเนะี่ยยิ่งติดมากก็ยิ่งทําความชั่วกับขันห้ามากก็เลยมีความผิดกับขันห้าเป็นอย่างมาก <c oughs> นี่ผู้ที่ตามเห็นทุกโทษภัยของอตามเห็นความสิน้นความเสื่อมความดับไปของขันห้าอย่างนี้ก็รู้เลยว่าโอ้โหขันห้าทุกๆุกอารมณ์เนี่ยเนะียมันคือภัยอ่ะมหาภัยดีดีนี่แหละ เรากว่านึกถึงอะไรก็เป็นภัยเลยทันทีนะนะมณสิการไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกมหาภัยทั้งหมดเลยการเกิดในภพทุกภพชอบพระพุทธอชอบอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ตอนที่จะออกบวชนะนะวันที่ออกบวชกับพระมหากัสปะกับนางพัฒกาปิลานีเนี่ยนะวันที่ออกบวชเนี่ย ถ้ามีความรู้สึกว่าพบสามเหมือนกุติถูกไฟไหม้หรือบรรณสาลาถูกไฟไหม้นี่ไม่มีความต่างกันว่าที่ไหนที่ที่ไม่ถูกไฟคือราคะโทสะโมหะไม่ถูกไฟคือชาติชรามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทม น, นัตอุปา ย, ยาตครอบงำไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องหาทางออกให้ได้ถ้าหาทางออกหาทางปลดสังขารให้ได้นี่หาทางออกจากสังขารให้ได้ะะัน้นน เหมือนกับว่าหาทางออกจากชีวิตให้ได้กระ อ, อะไรก็อลอกคิดให้พ้นมหาพูดให้จนได้นะต้องคิดลีกออกจากมหาพูดให้ได้กันนะพรามหาพูดมันมีภัยหรือเกินเนี่ยนะของเราเคยมีจิตคิดน้อมโดยอัธยาศัยใจจริงบ้างหรือยัง